เม็ดกลนตมเมื่อพ้นพลขอคอดน้ํามาเป็น turn แห่งการไหว้วนผู้คนมี เป็นพระนั้นเป็นยอด maar haar boer